คำว่ำาทรรมเป็นถ้าเป็นฝ่ายผลแล้วคาดไม่ถูกถ้าจิตไม่ได้ผ่านเหตุคือการปฏิบัติเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆแล้วอย่างไรก็คาดไม่ถูก ยังแค่สมาธิรมเท่านั้นก็คาดไม่ถูกเพราะความเป็นกับความคาดมันเป็นคนละอย่างความคาดนั้นเป็นนิสัยของใจที่เป็นนักคาดนักคิดนักกรุงนักแต่งถูกไม่ถูกไม่คํหนึ่งถึงความ คาดความคิดความปรุงความแต่งของตน <c oughs> แต่ทําเป็นหลักธรรมชาติตายตัวอยู่เช่นนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับคําความคาดความคิดความดุนเดาของผู้ใดารายใดยทั้งนั้นเราพูดแต่เพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็ตีความหมายไปได้ถึงคําถึงทำขั้นสูงสุด ว่าคาดไม่ถูกเช่นเดียวกันหมดถ้าจิตไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์เช่นก่อนแล้วจะไม่ถูกกับความเป็นจริงของธรรมขันนั้นๆเลยเราเรียนก็เรียนการเรียนก็ต้องเป็นไปด้วยความจำความคาดความคิดความปรุง หมายสูงหมายต่ำตามนิสัยของจิตที่ยังไม่เคยรู้ธรรมประเภทที่ต้องการจะรู้ด้วยการที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นเพราะการเรียนกับความสัมผัสที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเป็นคนละเรื่องละราวไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวกัน ท่านจึงสอนให้ปฏิบัติถ้าอยากรู้ความจริงของธรรมคันนั้นๆมีสมาธิทำเป็นต้นก็พึงปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านสั่งสอนเอาไว้ทางที่เราทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังและได้ปฏิบัติเป็นประจำเร้่อยมาอยู่แล้วนี้หากผลยังไม่ปรากฏ มากน้อยถึงจะปฏิบัติเท่าไหรก่ก็ก็ยังไม่ได้สัมผัสหรือว่ายังไม่เข้าสู่ความจริงอย่างท่านว่าจิตสงบนีจิตของเราจะต้องคิดต้องคาดไว้แล้วว่าความสงบเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เวลาจิตได้สัมผัสเข้าไปด้วยภาคปฏิบัติจนปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้ว ความคาดความคิดนั่นก็ล้มเหลวไปหมดเหลือแต่ความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเป็นที่แน่ใจแน่นอนภายในจิตใจนั่นนั่นเริ่มเริ่มถูกตามหลักความเป็นจริงเพราะธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมคาดจะเป็นสมาธิธรรมก็ตามปัญญาธรรมทุกขั้นของสมาธิและปัญญาก็ตามจนกระทั่งถึงนิมุติหลุดพ้นเป็นหลักความจริงทั้งนั้น ไม่ใช่ความจำไม่ใช่ความความคาดความด้นเดาความคิดปรุงแต่งต่างๆว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นคนโลกไปเลย <c oughs> ด้วยเหตุนี้ผู้นำธรรมมาสั่งสอนโลกจึงต้องรู้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าลี้ลับในบรรดาธรรมที่นำมาสั่งสอนโลก คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เป็นผู้ทรงสัมผัสสัมพันธ์ในสมาธิก็เต็มภูมิของศาสด า, า, าแต่ละพระองค์ไม่ว่าสมาธิขั้นใดเต็มพระไทยด้วยกันปัญญาขั้นใดก็ทรงรู้ทรงเห็นทุกแง่ทุกมุมของปัญญา การที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสประเภทใดๆนั้นก็ทรงดำเนินมาแล้วทุกแง่ทุกมุมจนสามารถบรรลุทมเป็นขั้นๆ ข, ขึ้นไปจนกรั่งวิมุตติทนเรียกว่าตรัสรู้นี่เป็นความคาจจางแจ้งในพระไตรด้วยการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า เฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ที่เรนำธรรมมาสั่งสอนโลกนั้นสั่งสอนพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากสมภูมิของาศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกแง่ทุกมุมครอบโลกกระฐานนี้เลยการนำธรรมมาสั่งสอนสัตว์โลก ย่อมสั่งสอนให้พอเหมาะพอดีกับจริตนิสัยที่จะควรได้ทมประเภทใดเข้ามาเป็นสมบัติของตนก็ทรงสั่งสอนตามขั้นนั้นๆแม้จะเทศในส่วนรวมก็ตามธรรมะส่วนรวมกับธรรมะเฉพาะนั้นต่างกันคือเทศสอนบุคคลเฉพาะหรือตอบปัญหา แต่ละรายละรายเป็นเรื่องเฉพาะแต่การเทศนาว่าการในในชุมนุมชนหรือสังคม น, นุนสังคม น, นุย่อมจะแสดงธรรมะอย่างกว้างขวางลึกซึ้งมากให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เป็นที่เข้าใจทั่วถึงกันตามจดิติใสของตนที่จะพึงรับได้ในธรรมแง่ใดข้อใดมุมใดขั้นใดก็ให้ได้รับได้รับ ไม่ให้เสียวความมุ่งหมายนี่สมกับศาสดาโดยแท้ว่าการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกนั้นไม่มีอัดไม่มีอันตลอดทั่วถึงไปหมดแม้เช่นนั้นธรรมะที่ยังไม่ได้แสดงแก่ผู้ใดยังมีอีกมากมายในพระไตรของพระองค์เพราะทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมด ในสามแดนโลกธาตุอันเป็นเขตแดนของส ม, มุินี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงรู้ทรงเห็นย่อมสามารถรู้เห็นได้โดยตลอดทั่วถึงแต่การนำมาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นจะเลือกเฟ้นเอาธรรมที่จะเป็นประโยชน์ในวงสัตว์มาแสดงเท่านั้น มาได้แสดงตามความรู้ความเห็นของศาสดาเสียทุกแง่ทุกมมซึ่งใครๆก็ไม่สามารถจะรับประโยชน์จากทมนั้นแล้วก็สมภูมิกับศาสดราว่าสั่งสอนสัตว์โลกสั่งสอนอย่างไรโลกถึงจะรับประโยชน์สิ่งใดที่ไม่ใช่วิสัยของโลกจะได้รับประโยชน์แต่เป็นวิสัยของศาสดาจะต้องรู้ต้องเห็นก็ต้องยกไว้ตามภูมิของศาสตา นำมาแสดงเฉพาะที่เหมาะสมกับสัตว์โลกจะได้รับผลรับประโยชน์เท่านั้นเท่านั้นเรื่อยมาจนกระทั่งวันปริพันธ์ทำทั้งหลายที่ทรงแสดงแก่สัตว์โลกก็ไม่มีอัดมีอัน้นคำว่าหมดไม่มีเพราะความรู้ของศาสดานั้นกว้างขวา ง, วางหาประมาณไม่ได้เลยท้องฟ้ามหาสมุทร ยังออกมาเทียบกับความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะอัดอั้นอย่างไรในบรรดาความรู้ที่แทงทะลุไปหมดและนํามาสั่งสอนสัตว์โลกจะให้อัดอั้นไปที่ตรงไหนจนกรอกจนมุมที่ไหนว่าธรรมะนี่ได้หมดแล้วสุดวิสัยแล้วที่จะสั่งสอนสัตว์โลกทั้งๆ ท, ที่กำลังบึกเบืออยู่ แต่อุบายแห่งธรรมที่จะนำมาแก้ไขสัตว์โลกนี้ได้สิ้นสุดลงไปเพราะภูมิของพระองค์เพียงเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีเลยนอกจากสัตว์ตั้งหลายไม่สามารถอาจเอื้อมตามภูมิธรรมที่พระองค์ทรงรู้และนำมาสั่งสอนเท่านั้นเป็นในรายไปรายใดที่สามารถในทำขั้นใดภูมิใดก็ได้รับประโยชน์จากพระองค์ซึ่งทรงแสดงไว้อย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังมีเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของผู้ปฏิบัติที่ได้สัมผัสสัม พ, พันธ์กับปัญหาข้อใดๆที่ทูลถามพระองค์ก็ทรงประทานหรือแก้ปัญหาข้อนั้นๆให้เหมาะสมกับผู้ไปศึกษานั้นเป็ น, นรายๆไปนี่เป็นอย่างนี้ส่วนภูมิของศาสดานั้นท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสมมุต ยังจะเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้นี่จึงเรียกว่าศาสดาพระองค์เท่านั้นเป็นผู้รู้ใครจะคาดจะเดาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตามแต่ความเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าศาสดาชุดวิสัยของโลกที่จะอาจเอื้อมโดนเดาไปตามพระองค์ได้พระองค์ก็ไม่ได้สนใจกับใครจะเชื่อไม่เชื่อ ใครจะคิดในแง่ใดมุมใดเป็นวิสัยของคนมีกิเลสก็ยอมคิดไปเป็นธรรมดาเป็นลมๆแรงๆไปเท่านั้นส่วนองค์ศาสดาแล้วไม่มีคำว่าลมๆแรงๆ ร, รู้จริงเห็นจริงทุกแง่ทุกมุมเพียงที่นำมาสัางสอนสัตว์โลกนี้สัตว์โลกบางภูมิบางรายถ้านับกันรวมกันแล้วก็มีจำนวนมาก ที่ไม่อาจเชื่อตามพระาว่าท์ของพระพุทธเจ้าได้นั้นมีจํานวนไม่น้อยแต่พระองค์ก็ต้องก็ต้องแสดงเพราะวิสัยผู้ที่อยู่ในวิสัยจะรู้จัละจะเคารพนับถือหรือว่าเชื่อตามพระาว่าท์ของพระพุทธเจ้านั้นยังมีอีกมากมายมาให้เสียผลเสียประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้ที่จะพึงได้รับผลจากพร ะ, พระอาว่าท์ ของพระพุทธเจ้าที่สุงแสดงไว้ตามแงมุมต่างๆสรุปความลงย่อยๆดังที่ท่านแสดงให้เห็นชัดเจนอยู่นี้ก็ไม่มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนี่แหละซึ่งเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กรรบาปท่านว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงธรมโลกมีจริงนิพพานมีจริง นี่อยู่ในวิสัยของสัตว์ที่จะพึงรู้พึงอาจเอื้อมพึงสัมผัสสัมพันธ์ถึงอยู่แม้เช่นั้นจํานวนที่ไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีก็มีจํานวนไม่น้อยแต่พระองค์ไม่ได้ถือมันเป็นอุปสรรคต่อการแสดงแก่สัตว์โลกทั้งหลายที่จะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ยังมีอยู่จํานวนมากมายด้วยเหตุนี้จึงทรงแสดงลงในถ้ากลางแห่งปากแห่งน้ํา ของผู้ที่ไม่เชื่อผูไม่เคารพเรื่มใสผู้หูหนวกตาบอดซึ่งมีอยู่มากมายในขณะเดียวกันผู้หูดีตาดีผู้สะแสวงหาความพ้นทุกข์เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปยังมีอยู่อีกมากมายและผู้ที่จะตามเสด็จพระพุทธเจ้าใกล้ชิด ติพันเข้ามาเป็นลำดับลำดาก็ยังมีอยู่อีกมากมายเพราะฉะนั้นพระอุวาทของพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงลงในขวากใน ห, หนามของสิ่งที่ของผู้รักกุ้มังด้วยวิเลตัญหาแน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจไม่อาจที่จะให้เกิดความเชื่อถือและเคารพเลื่อมใสทั้งการปฏิบัติก็เป็นไปไม่ได้ พระองค์ก็ยังทรงแสดงอยู่ในท่างกลางแห่งขวากหนามเหล่านี้ก็เพราะผู้ที่หวังผลหวังประโยชน์และผู้ที่จะเชื่อทมที่พระองค์ทรงสั่งส อ, งอนด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงนี้ยังมีอยู่อีกมากมายจึงต้องเป็นสนามแห่งการเราจะพูดว่าฆ่าศึกก็เป็นสนามรบ สนามรบของผู้ชื่อของผู้ไม่เชื่อมีจำนวนมากมายนี่เป็นศัตรูต่อพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในบรรดาที่ทรงสแสดงให้แก่ผู้ทิ่มีเวิสัยสามารถจะเชื่อเคารพนับถือจะปฏิบัติตามได้อยู่โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุ น, นั้นาศาสนาธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้บาปบุญนรกสวรรค์นี้จึงทมลงในร้กลางของสัต ทั้งหูหนวกตาบอดทั้งหูดีตาดีแล้วแต่ใครจะรับได้มากน้อยเพียงไห่ผู้ไม่รับก็พระ อ, องค์ก็ไม่เสียประโยชน์เพราะมุ่งประโยชน์ต่อผู้ที่ควรจะรับซึ่งมีอยู่มากมายดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นหากเราไม่ประจักษ์ในหัวใจของเราก็พอทราบได้ในตำหนับตาราที่ท่านจดจะารลึกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่อง บาปบุญนรกสวรรค์แล้วความเวียนว่าตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องความจริงล้วนล้วนไม่มีสินใดคําว่าปลอมเข้ามาเจือปนเลยในเพราะว่าที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนํามาแสดงเหล่านี้ท่านผู้ที่จะสามารถรู้เห็นตามที่ทรงแสดงและเชื่อพระองค์จนถึงขนาดที่ว่าเชื่ออย่างถึงใจเป็นตายยอม ถว า, ายพระพุทธเจ้าเลยก็มีจํานวนไม่น้อยเช่นพระอรหันต์พระอาหา ร, ระอาหันต์เป็นอันดับหนึ่งที่มอบกายถว า, ายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเสียดายเยื่อใหญ่ในชีวิตของตนแม้แต่น้อยเลยบูชาพระธรรมคำํำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่ออย่างฝังใจลึกซึ้งพิสุดน์ไม่มีอะไรที่เกินความเชื่อของพระอรหันต์ท่าน ได้ฝังลึกในพระโอาวาทคำสังสอนของพระเจ้าพร้อมตักกับสักขีพยานที่รู้ที่เห็นภายในจิตใจของตนอันสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจึงรู้จึงเห็น น, นี่อันดับหนึ่งอันดับต่อไปก็พระสกิทาคาพระอนาคาค อ, อพระโสดาท่านเหล่านี้มอบได้ในเรื่องคำว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ มอบได้ตามกำลังความสามารถของตนที่อย่างทราบ พ, พอที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้มากน้อยเพียงไรมีความเชื่อความเคารพต่อพระศาสดาเต็มกำลังความสามารถของตนขั้นนั้นๆขนาดนั้นๆส่วนพระรหันต์แล้วร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมืน่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเปอร์เซ็นไม่มีอะไรหลุดไม้หลุดมือไปแม้แต่นิดหนึ่งเลย คือท่านเหล่านี้แลเป็นผู้เทิดทูนเป็นผู้จะรักษาศาสนาคือความจริงของพระพุทธเจ้าไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามท่านเหล่านี้ฝังลึกเต็มที่แล้วนี่แหละธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่อยมาเรียกว่าออกตลาดจริงๆให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างไม่สะทกสะทานเพราะทรงทราบแล้วว่าจะ เป็นผลเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกผู้ผู้มีความมุ่งมั่นในความจริงทั้งหลายอยู่ไม่น้อยเลยเวลาพระองค์จัดทะลุแล้วมาแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกเราทั้งหลายก็ได้ทราบในตำหรักตาดาพระสาวกอรหันมีจํานวนเท่าไหร่ที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นับตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนกระทั่งพระโสดาบัน แล้วกับกัลยาณ์นักปุตชลและผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะฉลาดรู้ตามพระพุทธเจ้ายังมีอีกจำนวนไม่น้อยนอกจากนั้นยังฝังอุปนิสัยปัจจัยในการประกอบคุณงามความดีตามหลักแห่งสุคขาธรรมที่จัดผิดชอบนี่แล้วอันเป็นการเพิ่มพูนบุญญาบารมีของตนขึ้นไปโดยลำดับลำดาไม่ขาดทุนศูนย์ดอกที่ได้พบพบเห็น พระพุทธเจ้าหรือได้ฟังองค์พระโอาวาทคำั่างๆของท่านเป็นเครื่องเสริมต่อบา ร, รมีให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ด้วนแล้วตั้งแต่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ทั้งนั้นจะเพ้ออย่างยิ่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราสัตวโลกทั้งหลายยังจะได้รับประโยชน์ต่อไปอีกถึงห้าพันปีเป็นกําหนดนี่พระองค์ทรงวางตาข่ายคือพระญาณได้ทราบ ตลอดทั่วถึงไปหมดแล้วว่าสัตว์โลกยังจะได้รับผลนับประโยชน์จากพระโอาวาทที่วางเป็นบันไดหรือแนวทางนี้ไว้จำนวนไม่น้อยเลยตั้งแต่ปัจจุบันที่พระองค์ประลิพานไปจนกระทั่งถึงห้าพันปีจึงจะหมดจกสิ้นความเคารพนับถือความเชื่อความลภใสในบาปในบุญคุณโทษทั้งหลายอันเป็นกรรมของสัตว์ เพราะอำนาจของกิเลสนั้นหนานแน่นเข้าทุกวันทุกวันหนานแน่นจนกระทั่งซึ่งว่าสิ่งใดมีก็ปิดไว้หมดอย่างมิดคิตตามปกติหลักธรรมชาติของหลักธรรมชาติแล้วบาปเคยสูญไปจากโลกที่ไหนเมื่อไหร่มีมาตั้งแต่มีโลกมีสมมุติบาปก็ดีบุญก็บีนนรกสวรรค์มีเป็นหลักธรรมชาติของตนม า, ม า, ม า, มานานขนาดไหน แม้พระพุทธเจ้าเองท่านยังไม่ทรงพยากรณ์ว่ามีมาแต่สมัยนั้นครั้งนั้นเพราะจะไม่เกิดประโยชน์แกสัตว์ทั้งหลายจากคําพยากรเหล่านี้พระองค์จึงไม่ทรงพยากรณ์บอกแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยสิ่งเหล่านี้เป็นคุณให้สร้างตัวเพื่อความเป็นคุณแล้วละเล่นสิ่งที่เป็นภัยในวงปัจจุบันอัตภาพปับันนี้ให้ประจักภายในหัวใจแล้วเราจะด้ ได้กอบพวยเอาคุณงามความดีทั้งหลายเข้าสู่ใจไม่ต้องไปให้เสียไม่ต้องไปนับไปอ่านให้เสียเวลามเวลาว่านรกนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่สวรรค์มีมาแต่เมื่อไหร่บาปบุญนี่มีมาแต่เมื่อไหร่ถามเท่าไหร่ก็หมดลมไ ป, ปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อันใดเช่นเดียวกันกันกบนามยอกเท้าเราแทนที่จะถอด ถอนหนามออกจากฝ่าเท้ายังต้องไปถามถึิ่งว่าหนามนี่คือหนามอะไรหนามนี่เกิดมาจากสกุลใดห น, นามนี่มีมาตั้งแต่เมื่อไร่เกิดมาแต่เมื่อไหรสกุลของหนามนี่มีมาแต่นานเท่าไหร่กับใดกันใดสุดท้ายฝ่าเท้าก็เน่าเสียไปหมดไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะฉะนั้นในที่จะทําให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับความเป็นจริงต้องรีบถอดถอนหัวหนามนั้นออกเสีย แล้วหายามาใส่มารักษาก็ฝ่าเท้าก็หายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนแม้จะไม่ไปถามสกุลหนามรู้สกุลหนามหรือไม่รู้ก็ตามก็ไม่ทําอะไรให้ฝ่าเท้าดีขึ้นยิ่งกว่าการถอดถอนหัวหนามนั่นออกแล้วใส่ยาเข้าไปเสียเท่านั้นนี่เป็นทางที่ถูกต้องโดยทายเดียวที่พระพุทธเจ้าไม่ทรง พยากรณ์สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของสัตว์ทั้งหลายและไม่เกิดประโยชน์อันใดพระองค์จึงไม่ทรงพยากรณ์ทรงนำธรรมะที่พอเหมาะพอดีกับสัตว์ทั้งหลายเช่นเดียวกับสั่งว่าให้ถอนถอดถอนหัวน้ําออกอย่างรวดเร็วแล้วรีพหายามาใส่ไม่ต้องไปถามสกุลหนามให้เสียวเวลาเวลาเดี๋ยวเท้าจะเน่าเฟนนั่นนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปถามหาว่าบาปมีมาแต่เมื่อไรบุญ นโลกสวรรค์นิพพานมีมาแต่เมื่อไรตัวของเราซึ่งถูกเกลียดนี่มันมีมาแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่มันก็ทิ่มแทงบีบบังคับหัวใจให้เดือดร้อนวุ่นวายและสัศมีสายกันอยู่ในบรรดาจิตวิ ญ, ญญาณของสัตว์ทุกดวงไม่เคยว่างเปลนเลยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เราจะรีบถอดรีบถอนเกลียดซึ่งเป็นเทียบกันซึ่งเทียบกันได้กับหัวน้ําให้ออกไปด้วย วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือการบำเพ็ญกุณงามความดีละเว้นสิ่งที่ใดไม่ดีเคยทำมาแล้วก็ให้ละให้เว้นซึ่งเทียบกันกับการถอดถอนหัวน้ำออกจากเท้าของตนแล้วระมัดระวังยาได้เหยียบขากเหยียบน้ำอีกต่อไปไงสิ่งใดที่ดีให้พออพูนเข้ามานี่เป็นวิสัยของศัจจะที่ทรงรู้ทรงฉลาดรอบครอบสมความเป็นสาสดาเอกของโลก นำทำที่เหมาะสมกับโรคแต่รับผลประโยชน์มาสั่งสอนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสียงใดที่ไม่เกิดประโยชน์แม้พระองค์จะทรงทราบขนาดไหนก็ตามก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนอย่างหมอที่รักษาคนไข้า ย, ยามีเต็มตู้เต็มหีบอันใดเป็นประโยชน์อย่างไรไม่เป็นประโยชน์อะไรหมอทราบเองจะนํามาเฉพาะยาที่เหมาะสมกับโรคชนิดนั้นๆเท่านั้นที่คนไข้จะรับประโยชน์แล้ว หายกลับไปบ้านได้นั่เป็นปกตินี่ก็เหมือนกันอันใดที่อยู่ในวิสัยที่ทสัตว์ทั้งหลายไดรับผลประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเหล่านั้นให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบตามกำลังความสามารถของตนที่จะอาจเอื้อมถึงในธรรมะขั้นนั้นๆไม่เสียประโยชน์ไปโดยถ่ายเดียว คนหนึ่งได้รับประโยชน์ในทำขั้นหนึ่งแง่หนึ่งคนหนึ่งได้รับประโยชน์ในทำขั้นหนึ่งแง่หนึ่งเมื่อหลายสัตว์หลายบุคคลเข้าไปก็ได้รับประโยชน์มากมายเพราะธรรมของพระเจ้าที่ทรงสแสดงแก่สัตว์นั้นมีมากต่อมากหาประมาณไม่ได้เลยที่ท่านยกไว้เพียงแปดหมื่นสี่พันประทานมขันนี้ท่านยกไว้พอประมาณานำมาเฉพาะที่จาเป็นเหมาะสมกับ ผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสเจ้ะพิถปฏิบัติตามได้ตามกําลังของตนไม่ให้มากกว่า น, นั้นซึ่งเป็นการเหลือเฟือเหลือกําลังที่จะประพฤติปฏิบัติได้แล้วกเกิดความท้อถอยน้อยใจไปเสียยังต้องนํามาเฉพาะทำที่เหมาะกับเหตุกับผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ในสัตว์ผู้ปฏิบัติตามนี้เท่านั้นดังมัชฌิมาปฏิปทานในทรงแสดงว่าจนอริยสัจสี่นี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียว ครอบหมดโลกธาตุเอากิเลสตัวใดจะเหนืออริยรสัจสี่นี้ไปไม่ได้ในอริยรสัจสี่นี้ก็ครอบหัวกิเลสไว้เช่นสมุทัยสัจนะทุกขสัจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยสัจเป็นผู้ผิดขึ้นเป็นผู้ผิดขึ้นนะและมรรคสัตดิโรธสัจนั่นเป็นธรรมชาติที่จะสังหารกิเลสทั้งหลายอันนี้เป็นสําคัญมาก พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่หาความบกพร่องไม่ได้เลยอันอันดับที่ตอบไปที่รองกันลงมาก็แสดงอนุภุปีกถาห้าน่นทานศีลสวรรค์อาทินภเนคขมะนั่นเป็นขั้นๆั้นขึ้นไปการให้ทานเป็นผลประโยชน์มากมายเพียงไรพระองค์ก็ทรงแสดงไว้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานแล้ว ผู้ใดอยากทำบุญให้ทานมากน้อยตามกาลังความสามารถของตนก็ได้ตักตวงเอาผลทานที่ได้ให้ทานไปแล้วมากน้อยนั้นเต็มหัวอกของต น, เ, นเมื่อให้ทานแล้วจะไปไหนก็ศีลท่านก็บอกแล้วศนะีลก็รักษาตัวให้มีคุณค่าให้เป็นคุณเป็นประโยชน์จากตัวของเราแล้วก็สวรรค์คนมีทานมีศีลไม่ไปสวรรค์จะไปที่ไหนเพราะสวรรค์สาหรับ คนดีที่มีคุณงามความดีเท่านั้นที่จะไปะจากนั้นแล้วก็ค่อยเหินขึ้นเหินขึ้นเหมือนเรือบินเหินฟ้าแสดงสูงขึ้นเป็นลําดับําดับจนกระทั่งเนกขมะความสลัดปัดทิ้งไปเสียในบรรดาที่เป็นค่าสิทต่อจิตใจเบื้องต้นก็ออกจากเนกขมะจะออกบวชหรือออกประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นขั้นหนึ่งขั้นต่อไปบวชหรือไม่บวช ก็เนคมะคือความสลัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจทั้งหลายให้หมดให้สิ้นไปจากใจนั่นแหละนั่นจนกระทั่งถึงบิมุตดุดพ้นไม่นอกเหนือไปจากอนุบุพิกถาห้านี้เลยนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วอย่างเต็มภูมิในแปด0มืสี่พันธรรมขันนั้นท่านแยกไว้เท่านั้นสิ่งนั้นเท่านั้นธรรมขันสิ่งนี้เท่านี้ปัจจารมขันแต่ผมลืมเสีย ถึงจำไม่ได้ก็มีอยู่ในตำรับตำราแล้วขอให้ท่นานทาได้ดูนี่คือความจำเป็นแห่งครรทั้งหลายที่เหมาะสมกับจริตทิสัยของสัตว์จะพอดำเนินหรือปฏิบัติตามได้ถ้าหากพระองค์จะแสดงให้มากยิ่งกว่านี้แล้วฟังที่ตั้งแต่วันพระองค์ตรัสรู้รมและสอนโลกมาจนกระทั่งวันปริพันธ์รรมยัง ไม่ได้หมดไปสิ้นไปเลยมีมากขนาดไหนที่บรรจุอยู่ในพระไตยของพระองค์ซึ่งทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดในบรรดาแดนสมมุตินี้ไม่มีอะไรที่จะลี้รับตอบพระยานคือความอย่างราบของพระเจ้านั้นเลยแต่พระองค์ไม่ทรงนำมาแสดงดังที่กล่าวแล้วเบื้องต้นนั้นให้หมดสิ้นไปเสียทุกแง่ทุกมุมถึงจะแสดงให้หมดสิ้นก็เรื่องสังขาร ก็เป็นเรื่องของสมุติสังขานรนางกายก็มีวันแตกวันดับได้เฉพาะพระองค์ก็อายุแปดสิบปีเท่านั้นก็ปริพาน์ไปแล้วธรรมะเหล่านั้นถึงจะยังมากขนาดไหนสังขารก็ไม่ได้อํหนวยพอที่จะเห็นเป็นไปนตามธรรมนั้นซึ่งจะต้องนำมาแสดงให้หมดทุกแง่ทุกมุมน่ต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละธรรมะมากขนาดนั้นในภูมิของศาสดาภูมิของสาวกก็องลาดับลาดากันลงมา เพราะท่านรู้จริงๆท่านเห็นจริงๆบรรดาธรรมที่ท่านมาแสดงแก่โลกเห็นพระพุทธเจ้าของเราไม่ว่าจะแสดงในแง่ใดมุมใดพระองค์ทรงสัมผัสสัมพันธ์มาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะกเรียกว่านําพระองค์ออกมาเป็นเครื่องยืญญนยันเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องรับรองไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ ตถาคตได้ผ่านมาหมดแล้วได้สัมผัสสัมพันธ์มาหมดแล้วทั้งดีทั้งชั่วทั้งหยาบทั้งละเอียดแม้ว่าส่วนดีส่วนชั่วอันหยาบละเอียดสุดยอดก็ได้ผ่านมาแล้วสวัสดิ์ทุกมหันตทุกก็พระองค์ก็ทรงทราบมาทุกแง่ทุกมุมและเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายพ่อเกิดตายเกิดตายมากี่กับกันทําไมจะไม่ตกมหันตทุกละนัะ่นพระองค์ก็ทรงนํามาสแสดงแล้วเป็นเครื่องยืนยันไปหมด แม่ได้มาแสดงแบบรูปคำคร่ำเพราะฉะนั้นการสอนโลกของพระองค์จึงต้องสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงพระไทยทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในบรรดาดีชั่วทั้งหลายตลอดถึงความสุขความทุกซุกขนาดไหนทุกขนาดไหนพระองค์ทรงนํามาแจ้งให้ทราบหมดเพราะทุกถึงขั้นหมาหันตทุกพระองค์ก็ทรงยืนยันแล้วในพระองค์เองทรงรู้ทรงเห็นแล้วพระองค์ผ่านพ้นมาแล้วสัตว์ที่จมอยู่ในนรก ได้รับอาหารต่ทุกข์พรไมพระองค์จะไม่ทรงทราบด้วยพยานไม่อย่างนั้นจะเรียกว่ า, าศาสตราจารย์โลกระบิถูแจ้งโลกหรือสพัญญูได้อย่างไงต้องรู้อย่างเต็มพระไถยแต่วันนี้พานก็พระองค์ก็ทรงไว้แล้วปรรมาสุขก็ทรงไว้แล้วยังได้นํามาแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งดีและชั่วสุขทุกรประการใดไม่มีอันใดเหลือเลยพระองค์ทรงแสดงด้วยความ อาจหารชานชัยเพราะพระองค์เอาพระองค์เองเป็นตัวสักขีพยานเป็นเครื่องยืนยันว่าทำทั้งหลายเหล่านี้เราเองเคยได้ไดรู้ได้เห็นมาแล้วและเคยสัมผัสสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้มาแล้วทั้งดีและชั่วจึงได้นำมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยเต็มด้วยความเต็มพระทัยและเมตตาเต็มส่วนด้วยเหตุ น, นี้เองพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกจึงผิดกับคนทั้งหลายสั่งสอนกันอยู่มากมาย ลองลำดับลงมาก็คือพระสาวกท่านก็รู้ก็เห็นเต็มสติกำลังความสามารถของท่านเหมือนกันท่านจึงพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องมากเรื่องผลสวรรค์นิพพานอะไรท่านก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะท่านรู้ท่านเห็นเต็มหัวใจของท่านแล้วทําไมจะพูดไม่ได้แม้แต่กิเลสละเอียดขนาดไหนอยู่ในหัวใจของท่านท่านยังม้วนเสือมันลงได้ซะจนไม่มีเหลือกลายเป็นจิตบริสุทธิ์ จิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วได้นามว่าเป็นพระรหันนั่นละเอียดยิ่งกว่าสิ่งใดอีกในบรรดาทุกทั้งหลายหรือนาโลกก็ดีสวรรค์ก็ดีไมไ่ละเอียดยิ่งกว่ากิเลสประเภทที่มันแหลมคมที่สุดอยู่ภายในจิตใจนั่นเลยเมื่อเปิดอันนั้นออกแล้วทำทำไมโลกสิ่งใดมีสิงใดเป็นอยู่จะไม่เห็นจะไม่รู้ต้องเห็นต้องรู้เมื่อรู้เมื่อเห็นเต็มหัวใจแล้วทาไมจะมาแสดงตามความเป็นจริงนั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ หาความสตกขรทานมาจากที่ไหนในบรรดาความจริงทั้งหลายที่ได้ดูได้เห็นมาเต็มหัวใจแล้วนน น, นั่นนี่ละการแสดงธรรมของท่านยึงผิดแตลกแตกต่าง ก, กันกับเราทั่วๆัวไปสามัญชนทั่วทั่วไปแสดงชี้แจงบอกกันสั่งสอนกันเพราะเป็นส่วนมากมักเป็นคาบอกเล่าได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ต ำ, ตำลับตำลามมาอย่างไรก็มาชี้แจงแสดงบอกกัน ตามกำลังความสามารถของตนที่จําได้แม้รู้ก็ไม่รู้อย่างลึกซึ้งเหมือนท่านการแสดงจะให้ลึกซึ้งได้อย่างไรรู้ยังไงก็แสดงเพียงนั้น่าหากเป็นภาคปฏิบัติเช่นพูดจิตเป็นสมาธิแสดงสมาธิได้อย่างเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิของสมาธิถ้าเป็นผู้ได้ถึงขั้นสมาธิเต็มภูมิก็แสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของสมาธิไม่อัดไม่อัน แต่เรื่องปัญญาแสดงไม่ได้นอกจากจะนำตำลับตำรามากลางแล้วว่ากันไปตามตำรับตำลาเท่านั้นต่อเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์แต่ทางด้านปัญญาเข้าไประดับลาดาบจนกระทั่งถึงปัญญาทุกขั้นทุกภูมิแล้วทําไมจะพูดเรื่องปัญญาไม่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับสมาธิละดังั้นเมื่อปัญญาได้เต็มภูมิแล้วจะไปไหนถ้าไม่ถึงขั้นอิมูหลุดพ้นและยิ่งความอิมุูหลุดพ้นนั้นเป็นผลของอะไร ก็เกิดมาจากปัญญาเป็นผู้ชำระสาสารละเอียดทั่วถึงจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทําไมท่านจะพูดมาได้แต่เม็ดเต็หน่อยไม่ว่าสมูทายละเอียดขนาดไหนแล้วปัญญานั้นเราถ้าว่าเราจะพูดปัญญาธรรมดาธรรมดาก็มันจะไม่ถึงใจท่านผู้รู้ผู้เป็นเหมือนกันปัญญาต้องเป็นปัญญาที่แหลมคมเรียกว่าคาดไม่ได้คิดไม่ถึงคาดไม่ได้สามารถที่จะพัง เรื่องอวิชชาปัญญานั่นจอมแห่งพบอยู่ตรงนั้นจอมแห่งส ม, มุติยอดแห่งสมมุติอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยอดแห่งมิมุติสาเหตุที่จะเป็นยอดแห่งมิมุติคืออะไรก็คือมหาสติมหาปัญญาเอาแต่เพียงกลางๆว่าขั้นมหาสติมหาปัญญาสิ่งที่เกิดแทรกอยู่ในมหาปัญญานั้นพูดไม่ได้ก็ตามเอารวมเข้ามาเป็นมหาสติปัญญานี่แหละเป็นเครื่องสังหาร อาสวะที่ละเอียดแหลมคมที่สุดให้พังลงไปจากจิตใจเมื่อจิตใจได้เปิดออกหมดแล้วทําไมจะไม่รู้ทําไมจะไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นไม่ได้ละเอียดยิ่งกว่าธรรมชาตินี้เมื่อเปิดมหาเมฆที่กําบังอยู่ภายในาจิตใจนี้ออกแล้วทําไมจะไม่รู้ทําไมจะไม่เห็นเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วทําไมจะพูดมาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างอาดอย่างหานใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตามความจริงเป็นอย่างนี้ สอนเราสอนได้แล้วอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เต็มภูมิแล้วสอนคนอื่นให้เต็มภูมิที่ควรจะสอนส่วนที่เขาจะเชื่อได้มากน้อยเพียงไรนั้นเป็นอุปนิสัยสามารถของแต่ละรายผู้ไม่เชื่อก็เป็นก็เป็นกรรมของเขาผู้เชื่อก็เป็นกรรมดีของผู้นั้นผู้ไม่เชื่อก็เป็นกรรมหนาของเขาเองจะประจันนิจติดอะไรเราพูดตามหลักความจริงที่มีที่เป็นผิดไปที่ตรงไหนนี่แหละการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกสอนอย่างนี้เองโลกจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่น เอาประมาณไม่ได้เพราะโลกที่หนาแน่นก็มีดังที่ท่านแสดงไว้ในบุคคลสีจ่จำพวกเพียงพอประมาณเท่านั้นว่าอุคติตัญยูวิปจิตตัญยูเนยปะปัทะประมานั่นแล้วก็เทียบในดอกบัวพวกที่ไม่ไม่มันสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้ในขั้นนี้ในระยะนี้มันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นแต่ก่อนอืมแล้วโลกนี้เป็นอนิจจังบางทีอาจจะแต่ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาให้ เกิดความเชื่อความสักษในในวาระต่อไปแล้วจนกระทั่งถึงได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ยางถึงใจแล้วไม่บอกเชื่อก็เชื่อเองนั่นพระพุทธเจ้าปริพันธ์ไปกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามนั้นคือความจริงที่เป็นสักิิพยานในหัวใจดวงนี้ที่จริงแล้วด้วยความสมบูรณ์เต็มที่หนักนี่แหละธรรมของพระเจ้าเป็นเครื่องกระจายกันอย่างนี้เมื่อเมื่อรู้แล้วทําไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าธรรมเหล่านี้ใครมาสอนไว้ เราถึงได้ปฏิบัต right ิจนถึงขั exactly ้นรู้กันเห็นขั้นรู้การเห็นเรานี่เราปฏิเสธได้ไหมเราลบล้างได้ไหมว่าไม่ใช่ของจริงไม่เป็นของจริงลบล้างมาได้เมื่อยอมรับเต็มหัวใจแล้วก็ยอมกราบพระพุทธเจ้าเต็มหัวใจศาสนาโอเย็บบีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านกราบหมดเพราะพระพุทธเจ้ามีทางเกิดได้อย่างนั้นเนื่องจากอริยสัจสี่เป็นสิ่งสําคัญคิดดูสิเพียงแต่พระองค์เดียวเท่านั้น สาวกอรหันของท่านมีจำนวนมากขนาดไหนในเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นสาวกอรหันของท่านมีขนาดไหนมากขนาดไหนล้วนแล้วตั้งแต่พุ่พนแล้วพุนแล้วพนุวพนไปได้ทั้งนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะอริยสัจสี่เป็นของสําคัญมากนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านนํามาแสดงแก่โลกท่านแสดงอย่างอาถรรพ์ตังวานไปทั่วแสามแดนโลกอาถรรพ์จะหวไหมความจริงมีถึงไหน พระธรรมพระเจ้ากลางวานไปถึงนั่นแหละไม่ผิดจากความจริงไม่ได้ว่าใกล้ว่าไกลขึ้นชั่วพระยาณอย่างทราบแล้วทราบตลอดตัวถึงอันคาําว่าใกล้ว่าไกลก็มีแต่เรื่องสมมตินิยมของเรามีกระดาษมาปิดหน้าที่อย่างเดียวมันก็มองไม่เห็นเนี่ยเอามือมาปิดหน้าที่อย่างเดียวก็มองไม่เห็นส่วนหัวใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นกิเลสต่างหากเป็นผู้ปิดเปิดออกให้หมดแล้วไปยังไงเห็นหมดทะลุ ป, ปูป่งไปหมดเต็มสติกําลังความสามารถของตน ตามอุปนิสัยวาสนาของตนองตนส่วนพระพุทธเจ้านั้นยกให้ยกให้ว่าเป็นเอกตลอดทั่วถึงหมดในสมแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงอย่างทราบเพราะฉะนั้นการแนะนําสั่งสอนสั่นโลกสั่งสอนจนกระทั่งวันปลิพานข้อไม่ไม่หมดไม่สิ้นถ้าวล า, าจะคิดเพียงเจะได้เพียงหรหรือ10เซหรือไม่ได้ก็ไม่ทราบในบรรดาธรรมที่นามาแสดงแก่โลกที่ยังไม่ได้แสดงและสิ่งที่สุดทีสัยของโลกที่จะรับจะฟัง ให้เกิดผลเกิดประโยชน์นั้นมากขนาดไหนฟังสิหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือวิสัยของผู้ดีเจ้าทรงทราบเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ประมวลสิ่งทั้งหลายที่ทรงรู้ทรงเห็นอยู่ในวิสัยของผู้ดีเจ้านั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกรวมลงในจุดที่โลกทั้งหลายจะเอื้อมถึงได้แก่ บ, บาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเนีย่ยที่นอกเหนือไปจากนี้มีมากขนาดไหนไม่สามารถที่จะนํามาแจ้งให้เป็นคําพูดคาจานอกจากเต็มอยู่ในพระไถ่ รู้อยู่ในพระไถ่นำออกมาแสดงไม่ได้ก็มีจํานวนมากขนาดไหนจึงต้องประมวลออกมาขนาดที่สัตว์ทั้งหลายจะพอรับได้ผลได้ไประโยชน์ตามกําลังความสามารถของตนนี่แหละวงอันนี้เป็นวงของสัตว์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่มากต่อมากก็อยู่จุดนี้แล้วพูดถึงกาแก้ไขถอดถอนได้ก็ก็ได้ในจุดเหล่านี้นรกเนี่ยเมื่อตกเมื่อพูดถึงเรื่องว่านารกทําไมใครจะไม่กลัวถ้าเป็น ผู้ยอมรับพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสนาองค์เอกแล้วต้องย อ, ยอมรับยอมรับแล้วใครจะไปสร้างเหตุให้ไปไปเดินนรกถูกเขาจูงไปเขาจะาไปฆ่าจะอยากไปไหมทางนี้นี่จูงกันไปนี่จูงเขาจะเอาไปฆ่าน้ำใครจะกล้าจูงไปนี่การทําความชั่วเหมือนกับจูงจะขวางจะไปลงเหวลงบ่อลงนรกไอ้เบจีนนะใครจะไปทําถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วโลกนี้จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในปัจจุบันนี้ก็เป็นสุขตายไปก็ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนให้ ล่มจมถอนจากโลกขล่มจมมีแต่ฝื้นแต่ฟูมีแต่ฉุดแต่รากทั้งนั้นแต่กิเลสของสัตว์ไม่ว่าท่านว่าเรามันหนามันแน่นมันต่อสู้กับพุทธเจ้าต่อสู้ธรรมทั้งหลายจึงต้องลําบากลําบนในการต่อกรความภาเพียนเพราะว่าจะทําความภาเพียนฝืนแล้วฝืนแล้วนั่นหลักกิเลสตัวสําคัญสําคัญทั้งนั้นจะทําอะไรมีแต่เรื่องฝืนเรื่องฝืนขัดกันแย้งกันหนานแน่นขนาดไหนบางทีถึงกับทําไม่ได้เลยนั่นทังไหมไหมหนาไหมกิเลสเนี่ย มันพระพุทธเจ้าทั้งองค์มันก็ไม่ยอมเชื่อยิ่งกว่าจิเลสที่มันเคยเชื่อมานานจมเพราะกะิเลสมานานมันยังไม่เห็ดไม่ล่บมันยังต้องกอเชื่อไปอีกตกอีกนี่หรือยี่วะกรรมของสัตว์ไปว่า ง, งเรื่ององพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้นั้นสวาขคตธรรมหาที่ค้านที่ไหนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็าตามปเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เชื่อก็เป็นไปได้ตามพระพุทธเจ้าสเสด็จตามพระพุทธเจ้าท่านผู้ที่ยังไม่เชื่อก็จมอยู่งั้นจะว่าอย่างไง ถ้าจะไปบังคับได้ว่าไม่ให้จมก็หัวใจมันพาให้จมหัวใจมันพาให้เป็นผู้ที่ท่านบอกเป็นหลักความจริงว่าอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ยอมรับจะว่างไงนี่นี่แหะที่ที่ว่าศาสนาเสือเส่อมเสื่อมเนี่ยคือเสื่อมจากหัวใจคนแล้วผู้ที่ไม่มีศาสนาเลยก็มีมากขนาดไหนฟังเราสิชาชาตินธรรมคือไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับเหตุรับผลเอาตั้งแต่ความอยากความอยากเป็นเรื่องของยิ่งเรีล้วน มันถุดมันหน้าไปตลอดเวลาตกเหวตกบอก่อตกตรกเอาไปกี่กีกับกี่กันปิดตาปิดหูปิดตาไปพร้อมพร้อมอ ม, อมโผล่ขึ้นมาแล้วเหมือนเพิ่งเกิดในชาตินี้ชาติเดียวทานมากกีกับกี่กันได้รับความทุกข์ผันแทุกมากี่ครั้งกี่หุนกี่กับกี่กันไม่ให้ทราบเลยปิดไว้หมดนี่จี้ยิงทําให้สัตว์เหตุหลาบไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันมีหลายอุบายคนวิถีที่จะ เราะมาณสักที่จะชุดจะลากสัตว์ชุดลากไปปิดทางไปเรื่อย ๆ, ๆนั่นถ้าหลงได้เห็นประจักษนี้แล้วใครจะไปฝืนนี่มันไม่เห็นนสิจึงเรียกว่ามันหนาแน่นขนาดไะนรกิเิตละเอียดขนาดไหนแหลมคมขนาดไหนนอกจากทำพมะพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะบุกเบิกที่จะฟาดฟันให้มันแตกกระจายหมดได้แล้วครองบรมมาสุขแล้วเห็นหมดนั่นผู้ที่เห็นหมดนั่นแหละอ น, นามาสอนนี่ไม่ใช่ผู้ที่โง่เขาบบาปัญญามาสอนโลกแต่โลกมันก็ไม่ยอมรับจะทําอย่างไร เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามสอนโลกจะไม่มีใครเหมือนขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนโลกแล้วเรื่องร้อยสรรพันคมกีเล่กี่เลียมที่จะฟัดจะฟาดฟันกิเลสให้สัตว์ทั้งหลายได้มีสติปัญญาได้หลุดพ้นไปตามพระองค์นั้นมีขนาดไหนหนักขนาดไหนพระพุทธเจ้าควรหนักพระพุทธเจ้าจะหนักที่สุดอุ บ, บายวิธีการทอะกิเลสไม่มีใครที่จะทราบยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าว่ากิเลสประเภทไหนหนักป ร, ประเภทไหนเบา ถ้าภาษาของเราทุกวันประเภทไหนที่มันแสบแสบที่สุดนี่ภาษาปัจจุบันของเราว่าอย่างนั้นพระองค์ทรงทราบหมดแล้วทํำไมเครื่องปราบกิเลสพระองค์ก็เคยปราบมาแล้วจนสิ้นซากภายใยพระไทยแล้วทําไมจะนํามาสั่งสอนจารโลก ช, ชนิดที่เผ็เผ็ดร้อนร้อนไม่ได้ต้องเอาให้เผ็ดร้อนถึงขั้นที่เผ็ดร้อนไม่มีใครเกินพระพุทธ เ, เจ้าในเวลาที่ควรจะเฉียบขาดไม่มีใครเฉียบขาดยิ่งกว่าพระว่าของพรเจ้าที่จะตัดหงวงัวกิเลสให้ขาดสับบ้นลงในปัจจุบันนั้นเลยนี่ ไม่ใช่จะพูดไปลอยๆธรรมดาธรรมดาอะไรก็ลอยไปธรรมดาธรดากิเลสมันไม่ใช่ลอยธรรมดากิเลตัวฝังลึกมีตัวฉลาดแล้มผมมีตัวที่เด็ดที่เชียบขาดที่สุดมีธรรมะไม่เชียบไม่ขาดไม่เด็ดไม่เผ็ดไม่ร้อนมันทันกันได้ยังไงไม่งั้นจะเรียกว่าศาสตาหรือศา ส, สด า, สสดาต้องรู้ทุกสันทุกหลายสันละพันขมสินํามาแนะนําสั่งสอนสัดโลกเพราะฉะนั้นจึงได้นาธรรมะท่านมาแปดบูริพระมรธรมธรมขันเราสามารถพูดได้ที่ไหน 80,000 สมการถึงขนาดนั้นยังก็ยังไม่ได้มากมายอะไรเลยทั้งสินั่นนะพุ่งของศาสตาแล้วมาสอนโลกจะมาสอนแบบลอยๆได้ยังไงโลกตกทุกข์ได้ยากลําบากตกทะลกเลาอาวยัยจีรับความทุกข์ความทรมานมามหารตัดทุกข์มันหนักขนาดไหนพอที่พระพุทธเจ้าจะมาแสดงแบบแบบลอยๆแล้วความสุขก็เหมือนกันความสุขที่พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปเพราะอําอนาจแห่งความดีความดีเรียงตับจนกระทั่งถึงบรมสุขเป็นความสุขที่เล่เลนเมื่อไหร่ ใครจะไปครองได้ถ้าไม่สิ้นกิเลสคลองไม่ได้ครองความสุขที่ว่าบรมสุขเนี่ยแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงเพียร่อยได้ไงถึงขนาดที่ว่าใครคลองไม่ได้เป็นของเลือดประเสริฐขนาดไหนพระองค์ครองอยู่แล้วเนี่ยนามาประกาศสวรรคเหมือนกับว่าเปิดมือฝ่ามือให้ฝ่าผ่าหัดให้เห็นนี่เห็นไหมเห็นไหมสิ่งที่เราครองอยู่เวลานี้ประเสริฐไหมสิ่งที่โลกทั้งหลายจมอยู่นั้นทุกข์มากไหมเหมือนอย่างนั้นเอามาเทียบกันให้ดูอยู่ทั้งบาป ท, ทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษ ทั้งหมานตัทุกทั้งบรมมาสุขอามาเทียบยังให้เห็นทุกแง่ทุกมุมใครจะเกินศาสดาาในการแนะนําสั่งสอนโลกเนี่ยเรานี่ตัวเท้าหนูเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวไม่เป็นอื่นว่างั้นเลยคอ้าขาดขาดไปได้เรื่องความเชื่อ น, นี่ไม่มีถอนยอมขนาดนั้นอ่ะจึงเดียก ว, ว่ายอมกราบขนาดนั้นพระพุทธเจ้า ม, มีกีล้านล้านพวกเรายอมหมดไม่มีเหลือเลยพระพุทธเจ้า ม, มีล้านล้านองค์มีได้ไหมยอมรับมีได้ว่างี้เลย ทำไมจะมีไม่ได้ว่างอย่างไรเครื่องยืนยันคืออะไรนั่นอริยศาสตร์นั่นความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็พระองค์แต่ละพระองค์รงคปรารถนามาแล้วเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นรู้เรื่องได้ย่งไรพระพุทธเจ้าปรารถนาการการะทําของพระเจ้าใครทําให้เกินพระพุทธเจ้าเกินบรมพระโพธิสัตว์เราไม่มีใครเกินพวกเรามีแต่พวกขี้เกียจที่ค้านทอแฉะอ่อนแอทำนี้ทำน้อยมิได้จะเป็นจะตายพระพุทธเจ้าพระสาวพระโพธิสัตว์ท่านเป็นอย่างนั้นฟังสอิอยู่ใน อะไรก็เราก็เห็นแล้วนี่อะไรที่เป็นอันดาบทหรือเปล่าผมก็ลืมแะ้วต้องข อ, อไปนะเรามันก็รู้มาสะจนจำได้มาจนติดปากเวลาจะลืมก็ลืมเช่นชาตินั้นเป็นนั้นชาตินั้นสวยนั่นนะสิบชาติหรืออะไรนั่นเป็นเช่นเป็นสุวรรณสามเป็นอะไรดาบท อ, อะไรผมจำไม่ได้นั่นนะดูที่ใครทำได้ไหมเรายกเอามาประมวลเข้ามานี่เลยว่าใครมีทาได้ไหม ท่านทําได้แล้วท่านทํามาแล้วจนเป็นเครื่องหนุ่นี่ยท่านเลยตัดจะรู้เป็นผู้ธเจ้ามาแล้วมาแล้วเฉพาะองค์ศาสดาของเราปัจจุบันนี้ก็เห็นอย่างนั้นใครทําได้ไหมใครจะเป็นคู่แข่งพุทธเจ้าได้ไหมเรายังไม่เห็นเป็นคู่แข่งได้เหตุใดความเป็นมาของพุทธเจ้าเราจะไปแข่งความรุ่งพุทธเจ้าเราจะไปแข่งก า, ารเทศนาว่าคการพุทธเจ้าใครจะไปแข่งมันมันจะแข่งได้ยังไงมันต่างกันอย่างนั้นเร า, าฟ้ากระ บ, บิน ม, มันก็ยังใกล้จะมันเลยนั่นอีกจะว่างไงภูมิอง์ศาสดา นี่หละการนํำทำมาสอนโลกที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยของศาสดาแต่และองค์ละองค์เวลารู้ก็รู้สมเหตุสมผลรู้สมความเป็นศาสดาสมความปรารถนามาใครจะไปรู้ได้อย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ทําอย่างนั้นนี่เวลารู้ก็รู้อย่างนั้นที่ไม่อย่างนั้นเดียวศาสน า, าไงถ้าเหมือนเราเราท่านๆใครจะไปกราบโลกได้ลงขอกราบไม่ได้ไม่กราบนะเมื่อถึงควรถึงเหตุถึงผลที่ควรจะกราบไม่บอกก็กราบดังที่ว่าครูทีเจ้าทั้งหลายนี่ยอมหัวขาดก็ขาดเลย เราอยอมเพราะมีเครื่องยินยันอยู่ที่จะผิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เพราะบรารมีของท่านท่านทําได้นี่ว่าไงท่านทําได้สร้างได้เต็มได้สิทําไมเต็มไม่ได้ตั้งแต่เทน้ำนลงในโนองมันยังเต็มเทน้ำใสในแก้มมันยังเต็มทําไมสร้างบรารมีไม่เต็มท่านพูดมาได้ยังไงท่านเคยสร้างมาแล้วเป็นมาแล้วเต็มมาแล้วทีนวน่ น, นําเมื่อเวลาตัดทะลุแล้วย้อนหลังพิจารณารู้หมดเคยเป็นมาแล้วเพราะอนั้นนั้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้น่ะนั่นท่านทํามาแล้วจนสําเร็จ เต็มภูมิของสัจดาแล้วที่เวลากระลุกลกรูก้มพุ่เต็มภูมิศาสดาแนะนําสั่งสอนจักรโลกก็สั่งสอนเต็มภูมิของสัจดาเอาใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็สุดวิสัยเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็จะมาสอนแบบเดียวกันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาบาปไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเอาทําลงไปถ้าใครเก่งบุญก็เหมือนกันนรกสวรรค์มีอยู่เป็นหลักธรรมชาติตัวเองอย่างนั้นไม่มีเคลื่อนมีค่าพระเจ้าปริพันธ์กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้าน พระองค์สิ่งธรรมชาติเหล่านี้ก็มีอย่างนั้นไม่ใครจะมาลบล้างได้การแนะนําสั่งสอนจากโลกท่านก็มาสั่งสอนตามความมีความเป็นท่าไม่ได้มาลบล้างถ้า ม, มาทำลายท่ามาไดมาทำลายนรกอาไปีที่ไหนไม่ได้ทำลายสวรรค์นิพพานที่ไหนมีแต่เสริมสิ่งผูดที่จะก้าวเข้าผููที่จะเข้าไปสัมปัสสัมพันธ์ในสิ่งที่ดีแลนะจัดแต่งแก้ไขด้วยฉุดลากผู้ที่จะไปสูญความชั่วทั้งหลายมีนรกเป็นสาคัญให้ออกเท่านั้นเอง ที่ท่านจะไปทำลานในโกท่านไม่ได้ทํานี่พระพุทธเจ้าทุกๆุกวงท่านเป็นมาอย่างนี้นี่เราทำที่ว่าจริงๆอย่างนี้ให้เห็นในหัวใจเองซะก่อนเพียงหัวใจพวกเรานี่ตัวเท่าหนูก็เถอยังไงก็ต้องจะเป็นเครื่องยันกันได้ทีเดียวสิ่งที่ยันกันได้มีนี่หลักแห่งของให้ทําความบริสุทธิ์ใจให้มันปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ใจปรากฏแล้วเป็นยังไงแล้วสิ่งที่จะตามมากับความบริสุทธิ์ของใจนี้มีอะไรอีกบ้างนั่นมากขนาดไหนเนี่ย นอกจากว่าจะนํามาเทศไม่ได้พูดไม่ได้ท่นั้นนะบรรดาพระอรหันต์ท่านสิ่งที่อยู่ในวิสัยของท่านที่รู้ที่เห็นนี้เปิดไปหมดในหัวใจอันใดที่ควรแสดงนั้นมาชวยแสดงใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านล่ะของไม่เป็นประโยชน์พูดทําไมนั่นอย่าฟังที่อย่างที่ท่านแสดงว่าน่ะอันไหนที่เป็นอจินไตยพระ อ, องค์ไม่ไม่ได้ให้ไปเกี่ยวขอ้องอจินไตยคือเลยความคิดความอ่านไปแล้วมันเสียเวลา อย่าไปยุ่งเอาปัจจุบันบอปัจจุบันท่านก็ บ, บอกแล้วยังที่พูดตะกี้นี้เรื่องหัวหนามน่ะนั่นแหละอยู่ในมิสัยของสัตว์ให้แก้ตัวเองนี่จะไปแก้มันอะไรเรื่องอดีตการมันกี่พบกี่ชาตกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านกับกันก็ตามมันเป็นเรื่องของอ น, นันต์ทหารมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเป็นผู้ที่จะติดเรื่องของเราเป็นผู้ที่จะทุกข์จะลําบากขนาดไหนแก้เจ้าของผู้มันเป็นทุกข์ให้มันเป็นสู่ขึ้นมามันก็พอแล้วนี่เอาแก่ที่ตรงนี้อันนี้พูดถึงเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาสอนโลก ท่านเป็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นเวลาสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วพวกเราทําทำเยอะแย ะ, ย ะ, ย ะ, ยะมันไม่เป็นท่าเป็นทางนะะศาสนาจะมีตั้งแต่ตำเดบตำหรับตาําราท่านเนนเราก็จะมีตั้งแต่เพศของภาคกงเนรหัวลนล้นนะถ้ามาปฏิบัติแล้วอยากเข้าใจว่าจะได้ครองอัดครองทำครองมรรคผลนิพพานเพราะนี้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติปริญัติศึกษาเราเรียนมาแล้วนั่นคือเข็มทิศ ท, ทางเดินเอาก้าวไปตามเข็มทิศ ท, ทางเดินท่านว่ายัางไงปฏิบัติตามนั้น ถ้าไม่เข้าใจก็ดังที่เราเจาะแสดงหาครูหา อ, อาจารย์แนะนําสั่งสอนเรานั่นแหละปฏิบัติไปเรื่องความยากความลาบากก็บอกแล้วว่านั่นคือเรื่องของกิเลสกําแพงของกิเลสมันปิดมันกั้นไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าข้างบนข้างล่างแม้แต่ดินฟ้ า, ฟาอากาศกิเลสมันยังเอามาอวดมาอ้างได้มาเป็นอุปสรรคได้ว่าวันนี้ร้อนเกินไปหนาวเกินไปทางภูเก็ตไม่ได้เห็นไหมเออเช้าเกินไปสายเกินไปมีแต่คนมายางังกิเลสที่มันมาแอบมาเอาสิ่งนั้นมาแอบมากอากาศเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้ว่าเป็นยังไง กิเลสมันไปเสียกสัรปัญยอมมาแล้วก็มาเป็นขวากเป็นหนามกั้นทางงเราให้ก้าวเดินมาได้สุดท้ายก็ตายทิ้งก็ป๋บไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คืยากหมายการข้ามหัวกิเลสมันปักเสียบไว้หมดทางพื้นเท้าเกี่ยวไปก็มีตัง้งแต่หนามของกิเลสที่ตรงไหนตรงไหนไม่ใช่เรื่องของกิเลสให้ขวางไว้หมดให้ไปไม่ได้ติดไปหมดในตัวของเรานี่แหละอยู่ที่ไหนนี่ที่ว่ายากยากเพราะกิเลสมันหนาเวลากิเลสมันหนามันยากทุกอย่างนั่นแหละเอาตีเข้าไปฟันเข้าไป ฟาดเข้าไปแล้วกิเลสจะค่อยจางไปจางไปแล้วจะง่ายเข้าไปง่ายเข้าไปเจเราจะเห็นได้ชัดในเรื่องภาวนาของเราคิดตะภาวนาเป็นสาคัญมากเวลามันตั้งมาในเรื่องเดลลาอะไรนีโถอะไรก็ยุ่งไปหมดบีบังคับจะให้ก้าวไม่ออกหายใจไม่ได้นู่นนะฟังซิกิเลสมันเอาถึงขนาดนั้นนะเอาไม่ถอยเนี่ยสาคัญไม่ถอยคือคือทำไม่ถอยนั่นแหะคือทำเอาเป็นเรื่องไหนก็เป็นพระพุทธเจ้าทันถึงกั้สลบเราไม่เห็นสลบนี่นะว่า าศาสดาสอนเคยต้มตุงคนโลกมีหรือท่านสอนว่าอย่างไงถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีความลําบากระบนใครก็เป็นาศาสดาด้วยกันหมดทั้งทั้งโลกอย่าว่าแตเป็นพระสารเลยนี่ก็เพราะเป็นความลาบากเพราะกิเลตนั่นมันมันหนามันแน่นเอาฟันลงไปฟันลงไปนี่เวลาทําลงไปไม่หยุดไม่ถอยยีดไม่เคยสงบก็สงบให้เห็นอ๋อเป็นอย่างนี้นานทีนี่เริ่มแล้วนะพอจิตสงบแล้วเย็นสบายแล้วมีแจ่ใจของคนเราความภาคความเพียรจะค่อยหนานแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมา ทีนี้ผลก็ปรากฏเด่นขึ้นเด่นขึ้นจากนั้นมาก็กว้างขวาขงไปละเอียดลงไปเพียงขั้นสมาธิก็ละเอียดจากนั้นก็าก้าเข้าสู่ขั้นปัญญานี่ขออธิบายไปตามลำดับเลยทีเดียวเนื่องเจาะแท้ทีแท้ก็เคยอธิบายให้ท่านหลายมาฟังแล้วขอาก้าวขอยขั้นปัญญานี่ปัญญาออกเดินเป็นยังไงปัญญาออกเดินคือปัญญาออกข้ากิเลสน่ะกิเลสมีมากมีน้อยแล้วปัญญาน่ะเป็นตัวสําคัญสาคัญขอย้าออกออก็ปัญญาในขั้นนั้นภูมินั้นข่ากิเลสในประเภทนี้ประเภทนี้เข้าไปโดยลำดับธรามดา จนกระทั่งถึงปัญญาขั้นหมุนตัวเป็นไปเองที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเอาว่างกันเลยที่นี่มันยากไหมที่นี่ทางที่กิเลสยากเหมือนเหมือนแต่ก่อนไหมไม่ได้ยากนะมีแต่ขยับเอาไว้เท่านั้นนะ่ะล้างเอาไว้ไม่งั้นจะไม่มีเวลาหลับนอนภาคความภาคความเพียงเทินในการฆ่ากิเลสเทินในการชมชมความสุขความสบายความเบาอกบาใจความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในจิตใจจากภาคปฏิบัติของตนแล้วก็เทินเรื่อยเทินเรื่อยนั่น สุดท้ายก็พุ่งพุ่งพุ่เลยไหนยากไหมกิเลสตัวไหนมาให้ยากขึ้นมีไหมไม่มีเรื่องของกิเลสจนกระทั่งถึงมาท้ า, าว่าเราจะพูดเป็นภาษาแนวก็ว่าโบกมือหาเลยโบกมือมาเลยอ๋อกิเลสตัวไหนเก่งเข้ามาอยากคอขาดมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วตัวไหนจะมากล้าหาันเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วกิเลสต้องหมอบทีเดียวนั่นเห็นไหมที่นี่เห็นกันชัดไหมว่ากิเลสมันหนาแต่ก็มันก้าวขาไม่ออกขาก็จะหักอะไรก็จะแตกไปหมดในร่างกายนี่เวลากิเลสมัน หนาๆเขามันบีไปหมดในหัวใจเราจนกระทั่งจะหายใจไม่ได้เวลาตีกันออกตีกันออกก็อย่างที่ว่านี่ตีกันออกจนกระทั่งถึงยิเรียบยีห่หัวสุกหัวซุนค้นคุยเคี่ยหา เ, าเจอตรงไหนขาดสะบั้นไปพร่อมันพ่อมัอมอมอมนนั่นเป็นยังไงที่นี่ขัดข้องมหมยากไหมการข้ากี่เรียากไหมไหมีแต่เพลินทั้งนั้นน่ะพุ่งพุ่งพุ่งสุดท้ายก็พังหมดไม่มีอะไรเหลืออะไรมาเป็นอุปสรรคที่นี่ไม่มีเลย นี่เมื่อไปอยังไงก็สรุปลงมาได้ว่ามีกิเลสเท่านั้นเรื่องที่จะสร้างขวากสร้างน้ำสร้างอุปสรรคให้เราที่ก้าวเดินมาได้นี่มีกิเลสเท่านั้นมันมวประมวล ม, ม, ม, ม, ม, มาเลยเนี่ยขอให้ทางสงด์นําไปพ ฤ, ฤ้ปฏิบัตินะฮู้เท่านี้ก็เหนื่อยแล้ววันนี้อพอ